พระบัญญัติ318ก็เมื่อภิกษุมีเหตุผลจำเป็นต้องไปในกองทัพภิกษุนั้นพึงพักแรมอยู่ในกองทัพได้เพียง 2-3 ถึงคืนถ้าพักแรมอยู่เกินกำหนดนั้นต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระชัพพคีจบ